174สุนีทะวัศสสการะวัตถุว่าด้วยมหาอามาตย์สุนีทะและวั ส, สการะเรื่องพุทธธรรมนายเกี่ยวกับนครปาตลีบุตร286สมัยนั้นสุนีทะและวั ส, สการะผู้เป็นมหาอามาตย์แห่งมคตรัฐ กำลังสร้างเมืองที่ปาตลิคามเพื่อป้องกันพวกวัชีพระผู้มีพระภาคทรงตื่นบรรทมเวลาใกล้รุ่งทรงเล็งจักสุทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ได้ทอดพระเนตรเห็นถวยเทพเป็นจำนวนมากกําลังยึดครองที่ดินในปาตาลิคามคือถวยเทพมีศักย์ใหญ่ยึดครองที่ดินในประเทศใด จิตของพวกพระราชาและราชมหาอามาตย์ผู้สูงสักต่างน้อมเพื่อสร้างนิเวศในประเทศนั้นถวยเท พ, พที่มีสักชั้นกลางยึดครองที่ดินในประเทศใดจิตของพวกพระราชาและราชมหาอามาตย์ที่มีสักชั้นกลางต่างน้อมเพื่อสร้างนิเวศในประเทศนั้น ทวยเทพที่มีศัก์ชั้นต่ำยึดครองที่ดินในประเทศใดจิตของพวกพระราชาและราชมหาอมาตชั้นต่ำต่างน้อมเพื่อสร้างนิเวศในประเทศนั้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกท่านพระอานนท์มาถามว่าอานนท์คนที่สร้างเมืองที่ปาตลิคามนั้น เป็นพวกไหนท่านพระอานนท์กราบทูลว่าสุนีทะและวัศการะผู้เป็นมหาอมาตย์แห่งมคตรัฐกําลังสร้างเมืองที่ปาตลิคามเพื่อป้องกันพวกวัชีพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์สุนีทะและวัศการะผู้เป็นมหาอมาตย์แห่งมคตรัฐ กำลังสร้างเมืองที่ปาตลิคามเพื่อป้องกันพวกวัดชีเหมือนได้ปรึกษากับถวยเทพชั้นดาวดึงอานนท์เมื่อตอนเช้ามืดคืนนี้เราลุกขึ้นเลงจักสุทิปอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์เห็นถวยเทพเป็นจำนวนมากกำลังยึดครองที่ดินในปาตลิคาม คือถวยเทพมีศักย์ใหญ่ยึดครองที่ดินในประเทศใดจิตของพวกพระราชาและราชมหาอามาตผู้สูงศักต์ต่างน้อมเพื่อสร้างนิเวศในประเทศนั้นถวยเทพที่มีศักชั้นกลางยึดครองที่ดินในประเทศใดจิตของพวกพระราชาและราชมหาอามาตที่มีศัก์ชั้นกลาง